5. วิถีของจิตวงเล็บเปิด15มกราคม2550ในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาที21วงเล็บปิดอะไรที่ยังพูดออกมาได้ยังไม่ใช่ของจริงเจ้าคุณนอในวงเล็บเจ้าคุณนอ ร, รัตนาะราชมานิตถึงบอกว่าในเครื่องหมายคำพูดของจริงนิ่งเป็นใบของพูดได้ไม่ใช่ของจริง สังเกตไหมที่แรกใจเราอยู่ในพวังยังไม่ได้รับรู้อะไรต่อมามันเคลื่อนไหวอยู่ข้างในแต่ก็ยังไม่ทันรู้อะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยต่อมาก็มาปรากฏขึ้นทางตาทางหูไปมองเห็นหรือได้ยินเสียงพอมองเห็นปุ๊บก็ยังไม่รู้ว่าอะไรมีการส่งสัญญาณมาที่ใจใจให้ค่ารู้สึกไหมตรงที่ใจให้ค่าพิจารณาให้ค่ามันทางานตรงนี้เรียกว่าสันติรัตนจิต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 และถ้าเราภาวนาเราจะเห็นเหมือนอย่างในอภิธรรมเป๊ะเลยเสร็จแล้วจิตจะลงภวังตัดความรู้สึกเรื่องนั้นไปเดี๋ยวก็ไหวตัวขึ้นมารับอารมณ์อันใหม่มาพิจารณาใหม่ตัดสินใหม่จิตก็วนเวียนทำงานอยู่อย่างนี้เองตรงที่เขาพิจารณาให้ค่าอันหนึ่งตรงที่รู้ว่าเขาให้ค่ามันขึ้นวิถีใหม่ตรงที่เบลอลงเรียกว่าตทาลาัมพณะเบลอลงไปแล้วก็ลงภวังนะ พอลงพวังแล้วมันจะเหมือนกับหายไปช่วงหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาใหม่เราจะเห็นเลยว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะมีช่องว่างอันหนึ่งมาขั้นแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีช่องว่างมาขั้นอีกมันหัดภาวนาแล้วถึงเห็นต่อไปถึงเข้าใจที่หลวงพ่อบอกว่าคนอื่นสร้างปัญหาให้เราได้นะแต่เราสร้างความทุกข์ขึ้นมาใส่ตัวเองนี่คือกระบวนการที่เห็นนั่นแหละมันจะสร้างขึ้นมาตอนนี้เราเห็นเรื่องวิถีของจิต ต่อไปเราก็จะเห็นปฏิจะสมุ ป, ประบาทวงเล็บเปิดการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดมีขึ้นการที่ทุกเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยต่อเนื่องกันมาวงเล็บปิดคนที่เห็นปฏิจะสมุ ป, ประบาท ต, ต้องเป็นพระอริยบุคคล